ในภาสิทธิ์ที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านพูดถึงเรื่องความจนกรอกจนมุมของคนวิ่งหาที่พึ่งแบบร่ายคำร่ายายไม่เป็นท่าไม่เป็นสาระเพราะภายคูกคูกคามแล้วก็วิ่งไปอย่างนั้นเอง ตามระสิที่ว่านี่ท่านว่าพระหุ้งเวสรนนังยันติปะบะตานิวันนานิจจ์อารามรุทธเกตยานิมนุษาพยาตจิตาเนตังโคสนานังเทมมังเนตังสทลนมุตตะมังเนตังสทลนมามะกมะสบรุข้าปมุจจะติมนุษย์เมื่อถูกพัยุข้ามแล้วยอมบิงหาที่พึ่งต่างๆตาม ที่ตนจะเห็นว่าปลอดภัยวิ่งไปพึ่งต้นไม้ภูเขาบ้างแสดงอาการบวงสวง n เป็นสวงไห้บอนอะไรต่างๆนานามาพ้นจากทุกข์จากภัยเข้าในอารามร้างบ้างเจ็นวัดร้างอารามมรุกอภะเจตยานี้ไป ตามเจดีร่างมากนั้นวมาเป็นที่พึ่งของใจที่ว่าเนตังโคสานังเคม้มบางนั้นฉะนัน้นั่นไม่กเกษมฉะนั้นั่นไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยใครจะถึงจากอย่างไรก็ตามก็เป็นโมฆะทั้งนั้นมีตาม มาลีที่แปลออกมาเป็นอย่างนี้โยจะบุทธันจาธรรมันจะาสร้างคันจา่าเสื่อนังกตูผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธทเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นสนะจะตาริอริยตจานิชำนัปปัญญายะปรับสติลุกขัางลุกขสมุปปาดังลุกสษัตจะปีกมัง เรียนจะทั่งยีกังมากังโดยคู่ปะสมะการ น, นี้นะผู้ใดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมากอย่างกระจัดใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข์และพ้นทุกข์ไปโดยล ำ, ำดับจนกระทั่ง พ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยเอตังโคสะนังเข้มังเอตังสันนมุตตะมังเอจตังสันนาะมะกมะสัปปุฆาปมุตตะตินั่นแลเป็นชนะอันกเกษมเป็นชนะอันปลอดภยัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่นี่เป็นสูตร ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้จึงไม่ใช่เป็นสูตรหรือเป็นธรรมอันเล็กน้อยเป็นเรื่องหัวใจของสัตว์ที่แสดงความว่าวุญขุน ม, มัวเสาะแสวงหาวิ่งนุ่นวิ่งหนี่เพื่อหาที่พึ่งที่ยึดในเวลาในเวลาจําเป็นแล้วก็ทําให้ยึดผิดด้วยเพราะไม่ได้ทซ้ำเนียบศึกษาไม่เข้าใจว่าอันใดเป็นภัยอะไรเป็นคุณ จึงสุม 4, สีุ่มห้ากันไปอย่างนั้นผู้ที่เข้าอกเข้าใจก็ยึดหลักที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าเพื่อทมประสงค์เป็นต้นมีชคือวัสรณะอันเกษมในจิตใจของเราทุกคนบรรดาสัตว์โลกที่มีจิเลสย่อมจะมีภัยคุกคามด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยการใดการสถานหนึ่งจนได้ เราจึงอยู่ในค่ายแห่งความพูกคาาเหล่านี้ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้หลักฐานะอันถูกต้องแม่นยำเป็นที่พึงพอใจในการยึดไม่เสียผลเสียประโยชน์ ท่านจึงสอนไว้ให้รู้เรื่องพุทธทางธรรมังทังท้งๆพุทธท่านจะทำมันจะสังขันจะเท่านั้กนกระตกนี่ให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นกระพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิปทาที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้รู้เรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในสัตว์โลกทุกธาตุทุกขันทุกสะกลากายไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว บุคคลเหมือนเหมือนกันหมดมีเรื่องของทุกข์ที่เป็นสิ่งน่ากลัวแต่ก็เป็นสิ่งที่ติดแนบอยู่ในกายในใจของสารโลกทั่ ว, วไปเราจะหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยมหรือทำให้หลุดพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดท่านจนึงสอนลงไปน้ำยอกให้น้ำาบก ทกข์ี่เกิดกับตนให้ให้กําหนดทราบว่านี้คือทุกข์คือสิ่งที่เป็นภัยอันสัตว์โลกทั้งหลายตัวกันยิ่นะ่ะเมื่อทราบชาัดว่าว่าสิ่ง น, นี้เป็นภัยแล้วให้ค้นหาสมุสมสมทฐานคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นี้เป็นมาเพราะอะไรแล้วก็แก้พยายามแก้สาเหตุอันนั้นเช่น ใจคิดเรื่องใดที่คิดขึ้นมาแล้วมากน้อยเกิดความเดือดร้อนคุณเคืองด้วยจิตใจเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นนันให้พึงพยายามละเว้นความคิดนั้นอย่าได้คิดซ้ำคิดซากผลจะตามมาซ้ำสักๆคือเป็นทุกข์แล้วทุกข์เล่าเป็นหลายครั้งหลายหนก็เป็นทุกข์มากขึ้นไปเอง จนถึงกับตรงจิตตรงใจลงไม่ได้ขนาดถึงเสียสติสตังไปก็มีเพราะความคิดมากนี่มีมีจานว น, น, น, นมากนี่คือสาเหตุที่จะทำให้เพิ่มความทุกข์ขึ้นโดยลำดับท่านสอนให้พยายามละให้พยายามกำจัดให้พยายามห้ามความคิดเช่นนี้ด้วยกำลังแห่งสติ คิดค้นโดยปัญญาเพื่อจะคี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกได้ให้เห็นตามความจริงของมันแล้วการที่จะค้นสมมติฐานของทุกของเหตุให้เกิดทุกนี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากสติปัญญาซึ่งเรียกว่ามักที่อยู่ในสัตจ ธ, ธรรมอันเดียวกันธรรมานิโรธคือความดับทุกข์ กดับทุกคือความวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองทุกที่มันเกิดขึ้นจากความกังวลวุ่นวายเหล่านี้มันเกิดที่ที่ขึ้นที่จิตและพยายามระ ง, งับดับมันลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาของเพียรของเราเรื่องโลกเาาราจะว่ากว้างมันก็กว้าง แผ่นดินทั้งแผ่นใครจะกำหนดได้ว่ามันกว้างขนาดไหนนอกจากคนที่มีความชำนิชานาญพวกวิทยา ศ, าศาสตร์พวกอะไรเข้าไปอย่างนั้นในเราธรรมดาไม่สามารถว่าโลกนี้วัดโดยรอบมันได้สค่กี่กิโลกี่ไมล์เหล่านี้แล้วความหนาของมันประมาณเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแล้วทั้งหมดนี้อะไรที่ เป็นกองทุกข์ที่สำคัญดินก็เป็นดินไม่ใช่ทุกข์นะต้นไม้ภูเขาที่เกิดอยู่กับดินกับพื้นที่เหล่านี้มันก็เป็นต้นไม้ภูเขาตามหลักธรรมชาติของมันมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์พระอาทิตย์อยู่บนฟ้ามันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ดาวอยู่บนฟ้าก็เช่นเดียวกันอากาศกลางหาวมันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ทั้งนั้น ทีนี้ใครเป็นตัวทุกและใครเป็นผู้รับทุกขที่กระทบกระเทือนกันอยู่ทุกวันทุกเวลานี้คือใครและใครเป็นผู้รับเคราะ์รับกรรมแห่งทุกทั้งหลายที่กระทบกระเทือนอยู่เวลานี้นั่นก็นอกนอกไปจากใจจะมีอะไรเล่าเนี่ยเมื่อสรุปลงมาแล้วก็ได้แก่ธาตุแก่ขังเกียรติใจของเราในสนัมมานเป็นภาชนะอั น, รรนสําคัญสำหรับรับสุขและทุกทั้งหลายที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืน ในร่เ ว, เวลาที่ผ่านไปก็ผ่านไปตามในล่ำเวลาของเขาตามการของเขาโดยเขาก็มีความหมายในตัวของเขาเลยผู้ที่มีความหมายในตัวนี่แหละที่คาดที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้นำทุกเข้ามาใส่ตัวเองได้แก่ใจนอกจากใจออกมาก็คือร่างกายของเรา หนียนเข้ามาแล้วก็มีแต่ร่างกายของแต่ละรายละลายแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นเป็นก่องทุกเป็นผู้รับทราบทุกเป็นผู้รับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากน้อยมากระทบกระเทือนภายในร่างกายใจิตใจของเราศาสนาท่านจึงสอนลงที่จุดสาคัญนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่ รับเพราะรับกรรมอยู่ตลอดเวลาสร้างเพราะสร้างกรงรมอะไรก็เป็นจุดนี้เป็นผู้สร้างไม่ใช่สิ่งว่านั้นเป็นผู้สร้างแล้วจะว่าโลกธาตุมันกว้างมันก็ว่าไปตั้งแต่ความสาคัญของจิตคาพูดที่ออกจากปากของเราเท่านั้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความทุกข์ที่มีอยู่ภายในกาย ก, ากับใจของเรานี้ได้เลยถ้าเราไม่ย้อนเข้ามาสนใจแก้จุดที่มีอยู่แห่งทุกนี้ให้ถูกต้องตาม หลักคำตั้งสอนที่พระองค์ท่านตั้งสอนไว้ทกุก็ไม่พ้นจากเราแต่ว่าทุกเราเท่าภูเขาหรือใหญ่กว่าภูเขามันปลว่าได้เพราะมันเป็นอยู่เต็มตัวของเราภูเขาทั้งลูกเคยนเห็นภูเขาลูกไหนแล้ววิ่งเข้าโรงพยาบาลมีไหมแล้วมีหมอคนไหนไปรักษาเยียวยาภูเขาทั้งลูกว่ามันเจ็บมันไข่มีไหม ต้นไม้ใบหญ้าเคยมีรางพยาบาลมีหมอไปรักษาเขาไหมถ้าว่าเขาเป็นถุกเขาเคยมีโรงพยาบาลไหมสิ่งเหล่านี้เพื่อรักษาเขามันไม่มีดินก็เป็นดินไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งถุกดินไม่มีหมอเป็นไปประจำเพื่อรักษาดินรักษาน้ำรักษาลมรักษาไฟรักษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ นอกจากเรื่องของสัตว์ของบุคคลนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นผู้รับความทุกข์ความลําบากทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับกายและใจของตนถ้าเราจะมองข้ามในจุดที่เป็นความจริงคือเป็นความทุกข์ความสุขอยู่เฉพาะภายในจิตใจเหล่านี้ก็ชื่อว่าเราเรามองข้ามตัวเองเรามองข้ามความจริงเรา ก็ไม่อาจสามารถมองเห็นความจริงได้แล้วจะแก้สิ่งที่ผูกพันหรือทับถมเราได้จาทุกนี้ออกจากใจได้อย่างไรเมื่อเราไม่มองจุดที่ควรมองไม่แก้จุดที่ควรแก้จึงควรแก้ลงที่จุดนี้นิบากกระขันคือร่างกายมันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวะตะ เราจะแก้ไขอย่างอื่นก็แก้ไขไม่ได้จะไม่ให้มีก็ไม่ได้เพราะมีขึ้นมาแล้วการเยียวยารักษาร่างกายนี้ด้วยวิธีใดที่เราเคยรักษากันมาเราก็พอทราบได้และเราเคยรักษากันตลอดมาการทํามาหาเรืงี้มีอยู่ยาตาแป้งอะไรก็มามบูมรักษากันเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อในสุดวิสัยนี่เราเคยรักษากันมา ส่วนเรื่องจิตใจเราจะรักษาด้วยวิธีใดนี่เป็นสิ่งสำคัญท่านจึงให้รักษาด้วยธรรมโอสถสักตวาพุทธรัตนังโอสะทั้งอุตมังวังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสะทั้งอุตมังวังนี่แหละเป็นยารักษาใจใจเป็นอย่างไรจรึงต้องรักษาเพราะใจเต็มไปด้วยโรคด้วยภัยต่างๆภัยรอบด้านของใจ ทุกจึงรอบด้านของใจเพราะฉะนั้นใจจึงควรเป็นคนไข้สำหรับรับยาคือธรรมโอสถถ้าปราศจากธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาแล้วใจจะไม่พ้นจากความร่มจบจะไม่พ้นจากความทุกข์ความทรมานตั้งตลอดตับตลอดกันหากำหนดกฎเกณฑ์ดุ หมายปลายทางไม่ได้เกิดมาชาติใดพบใดจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรามานเพราะความไขยหนักหรือป่วยหนักของใจด้วยพิเรนอาชวะเป็นเครื่องเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาผลคือความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอทุกภพทุกชาติไม่ว่าพบใดชาติใดถ้าไม่พยายามแก้ไขในจุดนี้ให้ดีเท่าที่ควรแล้ว ไปพบไหนก็คือใจจะเป็นผู้ไปสู่พบนั้นเป็นผู้ไปรับคราะรับกรรมในพบนั้นๆเราจะหวังเอาความสุขความเจริญจากพบไหนถ้าเราไม่หวังไม่แก้จิตใจนี้ให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเรากําลังรู้และรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่แก้ไขจิตให้เบาบางช่างซาลงไปจากความทุกข์ความทรมานที่เรียกว่าโรคของใจ ทำมอาสดจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งหรือเป็นธรรมชาติที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับใจของสาโลกเราเป็นมนุษย์เป็นความสูงสุดในโลกนี้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดและสมควรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ในมาประกาศสอนที่โลกมนุษย์เหล่านี้เป็นสาคัญยิ่งกว่าสอนที่อื่นใดเห็นว่ามนุษย์นี้แดนมนุษย์นี้เป็นแดนที่เหมาะสม สำหรับเราเหมาะสมกับธรรมหรือไม่เราต้องตั้งปัญหาขึ้นใส่ตัวของเราอีกทีนึงปัญหาที่เราตั้งขึ้นถามตัวเองนี้เพื่อให้ทราบความบกพร่องหรือความสมบูรณ์ความผิดความถูกของตนมีประการใดบ้างจะได้ทราบและจะได้แก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนี่ชื่อว่าเรารักษายาด้วยธรรมสมกับเราเป็นคนไข้หาคนไข้ ไม่สนใจกับหมอไม่สนใจกับอยู่กับยาคนไข้คนนั้นก็มีทางที่จะกำเนิดเรื่อยๆหาทางดีไม่มีหาโรคหาทางหาโรคไม่มีคนไข้มีความสนใจต่ออยู่ต่อยาต่อหมออยู่แล้วก็มีทางจะเป็นไปได้นี่เราเป็นประเภทคนไข้ที่สนใจต่อทำโอสถอยู่แล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาและพยายามบำเพ็ญตนด้วยอัดด้วยธรรมเชื่อว่าเป็นการรักษาตน ด้วยธรรมโอสถพุทธังธรรมังสังฆังสนสังกระฉามินี่เป็นหลักสำคัญของใจให้ได้ยึดเรียกว่าเป็นธรรมโอสถแทรกซึมอยู่ภายจในจิตใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขคิดไปไหนก็คิดเกือบความทุกข์ความลำบากนี้เป็นไปทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าประเทศใดชาติชั้นวรรณะใด เพราะเราอยู่ในถ้ำกลางแห่งกองทุกจะไม่ให้เกิดทุกข์ภายในบุคคลในตักนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราเกิดในกองทุกอยู่แล้วธาตุขันเรานี่คือกองไปมีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาที่ต้องการความเยียวยารักษาเราจรึงจะอยู่เฉยๆไม่ไดน้นี่เราก็พอทราบได้แล้วเรื่องแบงนี้คนีธรรมโอโสถที่จะเป็นเครื่องบำรุงรักษาจิตใจของเรา เพื่อมีความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อมีหลักฐานภายในจิตใจเราจึงควรสนใจเป็นกรณีพิเศษดูเสมอภายในใจโดยเฉพาะไม่ว่าจะทำจิตบ้านการรือนอะไรหน้าที่การงานหนักเบาเพียงไรก็ตามการรึกถึงคุณธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่มาหนักหน่วงท่วงจิตใจจนเสียการเสียงานแม้แต่ ความคิดความปรุงต่างๆในเรื่องทั้งหลาย ท, ทั้งทั้งที่เราทํางานอยู่เรายังเรายังคิดได้เหตุใดเราจะคิดอัดคิดทําคือพุทธังธรรมังสงังขังภายในจิตใจของเราไม่ได้เนี่มีเรียกว่าธรรมโอสถให้เป็นเครื่องบํารุงน้ําใจเราอยู่เสมอชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักฐานให้แก่จิตใจสร้างสิ่งที่ยึดที่มั่นคงให้แก่จิตใจใจเราจะค่อยสางค่อยซาจากวิเลกอาสวะไปโดยลําดับ แล้วจะมีความร่มเย็นมีหลักการสแสวงหาที่พึ่งที่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมได้แก่การสแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใจมีความต้องการความสุขความสบายอยู่ตลอดเวลาแต่หาอุบายวิธีที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจ ตามความมุ่งหมายหรือตามความมุ่งหวังนั้นเป็นไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะความฉลาดหรือกำลังบาง้างเราไม่พอนอกจากนั้นผู้ไม่สนใจที่จะทำความสุขให้แก่จิตใจนีรู้สึกจะมีอยู่มากหาความสุขจากสิ่ง น, นั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเครื่องเสริมไฟจะมากกว่าที่จะเป็นเครื่องดับไฟส่วนธรรมะเป็นเครื่องดับไฟ คำมากิเลสนั่นแลคือเชื้อไฟอันสาคัญแสดงเป็นไฟขึ้นมาคือความรุ่มร้อนจะแสดงมาจากไหนถ้ามัแสดงออกมาจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออันสาคัญแล้วกิเลสทุกประเภทจะดับลงได้ด้วยน้าคืออัดคือทำรรคือความดีทั้งหลายอย่างอื่นดับไม่ได้เวลานี้เป็นโอกาสอันเหมาะสมกับเราทั้งหลาย พอเป็นไปได้ร่างกายก็สมบูรณ์หรือแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่จิตใจก็ยังสมบูรณ์อยู่ด้วยอาจด้วยธรรมด้วยสติปัญญาพอที่จะประครับประคองตนไปได้จนถึงวาระสุดท้ายเราอยากให้เสียที่เกิดมาในความเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษจากมนัสสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารไม่เหมือนมนุษย์นี่เลย ยี่กว่าเราได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายแล้วเราอยาให้เสียเปรียบสัตว์ทั้งหลายในตอนที่ว่ามนุษย์สูงด้วยความฉลาดแต่ต่าด้วยการประพือก่อโภยทุกมาเผารมตนเองนี่ไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์เดาอันใดที่ดีงามอันใดที่เป็นความสุขดังที่กิตมุ่งหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วให้สอบเสริงหาโดยทางที่ถูก ความถูกจะเป็นขึ้นที่ปิดใจของเราเองนี่คนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมคนแสวงหาที่ที่ที่พึ่งผิดกับคนแสวงหาที่ทุกที่พึ่งถูกมีผลต่างกันดังที่กล่าวมันในบทธรรมเบื้องต้นจึงได้พูดกันก็โอเวสานังยันติการสอบแสวงหาที่พึ่งที่หลกภัยให้เป็นที่ ปลอดภัยนั้นแสดงหาต่างๆกันโดยความรู้สึกผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนมากก็เป็นไปในทางที่ผิดท่านจึงเลยแนบไว้ทั้งสองทางคือทางหนึ่งก็เป็นแสดงในทางที่ผิดทางที่สองในทางเป็นความถูกต้องของคนผู้มีหลักเกณฑ์ได้แก่พุทธทันจะทำมันจะสังขันจะแรงโระตแล้วก็แสดงถึงหนึ่งอริยสัจจะทําทั้งสี่ ตั น, นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันดีงามทุ่งเย็นสุดท้ายก็เป็นผู้ถึงที่อันเกษมพอรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่โดยรอบภาณจิตใจเป็นผู้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี้เราเคยได้ยินมานานอะไรบริสุทธิ์เราก็ชอบ ยิ่งจิตใจบริสุทธิ์ด้วยแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ล่ำลือมากตลาดอัศจรรย์หาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ในโลกทั้งสามเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยกันจึงเป็นสัญณะของโลกโลกได้กราบไหว้บูชาไม่มีใครจะยกตนไปกดขี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอกจากคนประเภทที่เลยสัตว์ลงไปแล้วเท่านั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้น คนที่ระ ล, ลึกดีชั่วได้อยู่แล้วไม่มีใครกล้าทำถ้าเป็นประเภทอาจารย์เทวทัตนันเป็นไปได้เทวทัตก็เป็นขนาดที่คอยถนายพระพุทธเจ้าแต่สุดท้าพระเทวทัศน์ก็เห็นโทษผู้ไม่ยอมเห็นโทษนั่นก็เป็นขนาดอาจารย์เทวทัศน์นั่นอาจจะเป็นไปได้ในการตําหนิติดเตียนหรือลบล้างศาสนาคือศาสนาธรรมพระพุทธเจ้ากระทำพระสงค์ลบล้างบุญลบล้างบาป ศูนย์ไปจากโลกไม่ให้มีด้วยความําคัญหรือด้วยกิเลสขั้งตนคําว่ากิเลสมันมีภายในใจแล้วเราจะไปลบล้างอะไรให้มันสูญหายก็ตามถ้าไม่ลบล้างกิเลสตัวมันจะให้บุญให้บาปสูญหายไปนั้นหมดไปจากใจผู้นั้นแหละผู้ที่จะหาประกอทุกข์ทั้งทั้งที่ลบล้างทุกข์น่ะก็คือใจดวงนั้นเดี๋วย่นเข้ามาในหัวใจของเรา พยายามลบล้างทุกข์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตอนเองความสุขความสบายเราไม่ต้องไปถามที่ไหนแหละทุกข์มีอยู่ที่ใดความวุ่นวายมีคือใดแก้จิตนั้นได้แล้วความสุขความสบายความสงบเงย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเองเท่าศีจิตหาความสงบเงย็นใจไม่ได้ก็คือความวุ่นวาย นั่นแหละเป็นเครื่องก่อควัญเป็นเครื่องทำลายความสงบสุขของใจจึงหาทางเกิดหาทางเป็นมาเป็นขึ้นไม่ได้ก็มีเท่านั้นวันนี้อธิบายถึงเรื่องการเจาะแสวงหาที่พึ่งให้ท่านทั้งหลายฟังทั้งทางที่ถูกทั้งทางที่ผิดให้เลือกเฟ้นเอานำมาประพฤติปฏิบัติเจาะแสวงหาที่พึ่งของตน ภายในจิตใจอะไรที่พึงอันเหมาะสมอะไรที่พึงอันเสมแล้วจะมีความกระเสมอยู่ภายในจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอยึดติดทงเพียงเท่านี้